ธรรมชาติของมนุษย์เรามักจะมีข้อสรุปอย่างหนึ่งก็คือว่าคนเรานั้นเนี่ยเห็นแก่ตัวเป็นธรรมชาติอันนี้ก็จริงนะแต่ว่าจริงไม่หมดนะธรรมชาติของมนุษย์มันมีความซับซ้อนกว่านั้นมันเคยมี นายกสมาคมทหารผ่านศึกเขาเคยเขามีปัญหาว่ามีสมาชิกที่ยากจนที่ต้องการการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายเขาก็เลยทำจดหมายแล้วก็ติดต่อไปยังทนายความ เป็นร้อยๆเลยนะเพื่อที่จะถามว่าจะพอลดค่าทนายให้กับสมาชิกของเขาได้ไหมคือคิดในราคาพิเศษเช่นคิดอ่ชั่วโมงละ30ม ด, ดอลลาร์30เหรียญคำตอบที่ได้นะ เป็นสิ่งที่ใครๆก็ดาวกันอยู่แล้วคือว่าไม่ได้ทนายความนี้ลดให้ไม่ได้ในยกสมัคคมนี้ก็เขาก็ไม่ท้อแท้นะเขาก็พยายามคิดว่าจะทำยังไงดีแล้วเขาก็ได้ความคิดมาอย่างหนึ่งคราวนี้เขาเขียนไปถามใหม่บอกว่าทนายความเนี่ย ยินดีที่จะบริการให้กับสมาชิกของเขาฟรีโดยไม่คิดเงินได้ไหมบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าได้ดูมันขัดแย้งกันไหมที่แรกเนี่ยบอกว่ า, าคิดเงินก็คิดได้นะคิดค่าทนายก็ได้ยอมจ่ายแต่ว่าจ่ายถูกๆได้ไหม30ดอลลาร์ ทนายความบอกไม่ได้แต่พอถามหมายว่าพอจะช่วยเหลือให้แบบแบบให้เปล่าได้ไหมก็ตอบว่าได้เป็นส่วนใหญ่อันนี้มันหมายความว่าอย่างไรมันก็ที่จริงมันก็แสดงว่าคนเราก็แม้กระทั่งทนายความซึ่งเป็น ในอเมริกาเป็นบุคคลที่เรียกว่าเห็นแก่เงินแก่ทองมากเนี่ยในด้านหนึ่งเขาก็เขาก็คิดอะไรเป็นเงินเป็นทองนะแต่ในอีกด้านหนึ่งเขาก็มีความเสียสละเหมือนกันมีน้ำใจเหมือนกันอันนี้มันก็สะท้อนถึงความจริงว่าคนเรานี่มันมันมีโลกอยู่สองโลกคนเราอยู่ในสองโลกโลกนึงเป็นโลกที่เงินทองเป็นเรื่องสําคัญ จะทำอะไรนี่ก็คิดถึงเรื่องกำไรขาดทุนมีเงินเป็นตัววัดนะความสำเร็จอีกโลกหนึ่งเป็นโลกของความมีน้ำใจความช่วยเหลือเกื้อกูลนะไม่เอาเงินเป็นใหญ่นะแต่เอานะความจะคำนึงถึง ความเดือดร้อนของกันและกันคนเราทุกคนนี่ก็อยู่ในสองโลกนี้แหละใ น, นเวลาเราออกไปซื้อสินค้าเข้าห้างหรือไปทํางานเนี่ยเราก็คิดเรื่องเงินนะแต่ในเวลาอีกเวลาหนึ่งเราก็อยู่ในโลกซึ่งผู้คนสัมพันธ์กันด้วยน้ําใจเช่นในครอบครัวในหมู่เพื่อนฝูง เวลาไปกินข้าวเราก็ไม่รังเกียจที่จะออกเงินให้เพื่อนในขณะซึ่งตรงข้ามกับเวลาเราไปซื้อของนี่บางทีต่อแล้วต่ออีกบาทเดียวก็ไม่ได้จะเรียกว่าคนเรามันมีสองตัวตนหรือสองบุ ค, คลิกในคนเดียวกันก็ได้อันหนึ่งนี่ก็คิดเรื่องเงินเรื่องทองซึ่งก็มาจากความเห็นแก่ตัว อีกส่วนนึงก็เป็นธรรมชาติของธรรมชาติที่มีน้ำใจมีความเอื้อเฟือ้อสิ่งที่นายกสมาคมฐาน่าสึกนี่เขาทำทีแรกเนี่ยมันไปมันไปกระตุ้นในส่วนที่คิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองเพราะฉะนั้นพอขอให้ลดค่าบริการพอพูดเรื่องเงินเนี่ยเาจะคิดถึงเรื่องเงินเรื่อง เรื่องกำไรขาดทุนทันทีเพราะฉะนั้นพอบอกให้เคารดค่าบริการเหลือ30ดอลลาร์นี่เขาก็ไม่ยอมพอเขารู้สึกว่ามันต่ํามันต่ํากว่าราคาตลาดนะแต่พอไม่พูดเรื่องเงินพูดวา่าช่วยเป็นการกุศลได้ไหมอ๋อมันมันก็ไปกระตุ้นในส่วนที่เป็นเรื่องของความมีน้ำใจเขาคิดว่าได้สินะ ทหารผ่านศึกพวกนี้เขาก็ไปรับใช้ชาติมาแล้วเขายากจนอะไรที่เราช่วยได้เราก็พร้อมจะช่วยอันนี้มันก็ไม่ใช่เป็นกับานายความนะก็เป็นกับมนุษย์ทั่วไปถ้าเวลาพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยนะเราก็จะนึกถึงกําไรขาดทุนเราจะนึกถึงว่าจะได้น้อยกับคนอื่นไม่ได้ แต่พอไม่พูดเรื่องเงินพูดเรื่องความช่วยเหลือนี่มันก็ไปกระตุ้นส่วนอื่นแทนส่วนที่เป็นน้ำใจความเสียสละในส่วนนี้แหละที่สามารถทำให้คนเราทำความดีแม้กระทั่งมีความภาคเพียรพยายามได้ก็เคยมีการทดลองอย่างหนึ่งนะให้อาสาสมัครเนี่ยมา มาทำกิจกรรมง่ายๆคือว่ามันนับมันนับไอ้วงกลมที่มันปรากฏอยู่ในจอคอมพิวเตอร์ที่จริงก็ไม่เชิญกันนับนะแต่เรียกว่ากําจัดดีกว่าในจอคอมพิวเตอร์ก็จะมีวงกลมอยู่ทางซ้ายมือทางมุมซ้ายสักพักมันก็จะมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่บนมุมขวา แล้วต่อมาวงกลมมันก็เข้าไปอยู่ในสี่เหลี่ยมจัตุรัสสิ่งที่จะต้องทำก็คือว่านับให้ได้ว่าวงกลมที่มันไปอยู่ในสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมันมีเท่าไหร่กลุ่มแรกนี่ก็บอกว่าเนี่ยให้เงินห้าดอลลาร์ กลุ่มที่สองพอเข้ามาก็ให้เงินห้าสิบเซนกลุ่มที่สามบอกว่าช่วยกันได้ไหมช่วยนับให้หน่อยนะไม่พูดเรื่องเงินเลยแอ้ว่ากลุ่มแรกนี่นับได้ประมาณสักร้อยห้าสิบใช่มั้งกลุ่มที่สองนี่ตามคาดนับได้ร้อยเดียวร้อยหนึ่งนะ ซึ่งก็ธรรมดานะเพราะว่ากลุ่มแรกนี่ได้ต้องห้าดอลลาร์กลุ่มที่สองมันได้ห้าิเซนมันก็ไม่อยากนับแต่กลุ่มที่สามนี่ซึ่งทําฟรีๆเพราะว่าได้ถึงร้อยหกสิบนับได้ถึงร้อยหกสิบกว่าวงมากกว่าคนที่ได้ห้าดอลลาร์อนะีกลุ่มที่สามนี่เขาตั้งใจนะเพราะว่าไหนๆเพื่อนบอยช่วยกันก็ก็ทำก็พอทําด้วยความ โดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยก็ทําด้วยความตั้งใจอันนี้มันก็แสดงว่าคนเรานี่ไม่ได้คิดแต่เรื่องเงินอย่างเดียวนะคนเราก็มีน้ําใจผู้อยญ่เนี่ยก็คนเราก็มีทั้งความเห็นแก่ตัวและความเสียสละนะอยู่ที่ว่าพฤติกรรมของเรามาจะแสดงออกมาอย่างไงขึ้นอยู่ว่าเราไปกระตุ้นส่วนไหนเช่นพพูดเรื่องเงินเนี่ยนะว่าจะให้เท่านั้นเท่านี้นี่ ให้ความเห็นแก่ตัวมันก็จะออกมาแล้วมันก็จะนึกว่าฉันได้เท่าไหร่ถ้าได้มากฉันทำนได้น้อยฉันไม่ทําหรือว่าฉันก็ทําแบบเย่อหยอกแย่ ๆ, ๆอีกส่วนหนึ่งมันก็มีความเป็นความ เ, เป็นความเสียสละไว้วานกันได้นะไว้วานก็พร้อมช่วยเหลือแล้วก็ช่วยเหลือจริงจังด้วยเพราะนั้นการที่บอกมนุษย์เรา ม, มีความเป็นแก่ตัวเป็นพื้นฐานนี่มันก็ถูกนะแต่ไม่ถูกหมด เราก็มีความเสียสละมีความเ อ, อื้อเฟื้อด้วยอันนี้มันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์เรียกว่าตั้งแต่เกิดก็ได้นะ <rivalry> เด็กทารกเนี่ยเวลาเขาเห็นใครเดือดร้อนนี่เขาก็จะมีความทุกนะข์นะเขาเคยมีการศึกษากับเด็กอายุไม่ถึงสองขวบตั้งแต่แบบอจนกระทั่งถึงพอจะเดินได้ เขสังเกตนะเขาสังเก ต, นะเาเกตอารมณ์ของเด็กนะเวลาเห็นคนมีความทุกข์มีความเดือดร้อนก็พราะว่าเด็กก็มีความความทุกข์ตามไปด้วยเขาดูจากม่านตาเด็กม่านตาจะขยายเวลาเห็นคนเดือดร้อนแต่พอคนนั้นได้รับความช่วยเหลือม่านตาเด็กก็จะเล็กลงและจะเล็กลงมากขึ้นถ้าเกิดว่าความช่วยเหลือนั้นเกิดจากตัวเขาเอง นันเด็กก็เด็กทาลกนะก็มีน้ำใจเห็นใครทุกข์ก็ทุกข์ตามไปด้วยแล้วก็ดีใจที่เขามีความสุขหรือออกจากทุกข์ได้อันนี้ว่กากรุณาแล้วก็จะดีใจมากขึ้นหรือมีความสุขมากขึ้นถ้าเกิดว่าความช่วยเหลือนั้นมาจากเขาเองก็ทดลองอีกหลายอ ย, าอย่างเช่นเอาของไปให้ มีคนขอขอนมจากเด็กนะพอเด็กเอาขอนมเด็กก็จะให้นะเด็กไปถึงสองขวบนี่แหละก็จะให้ให้อย่างด้วยความยินดีด้วยเจต ด, ด้วยความสมัครใจเด็กจะมีเด็กจะดีใจที่ได้ให้และจะดีใจมากขึ้นถ้าหากว่าของที่ให้นั้นไม่ใช่ของคนอื่นแต่เป็นของตัวเอง น, นี่เด็กนะซึ่งยังแบเบาะอยู่เลยยังทาลกอยู่ อันนี้มันก็แสดงว่าเด็กนี่ก็มีน้ำใจถามว่าใครสอนนะไม่มีนะเด็กทารกนี่ยังยังเรียนรู้นะจากพ่อแม่นี่ได้ไม่มากโดยเฉพาะในเรื่องของ เ, อเรื่องคุณธรรมเนี่ยแต่ถ้าจะมีก็เพราะว่ามันติดมาตั้งแต่เกิดมันเป็นธรรมชาติหนึ่งของมนุษย์ เพราะในการที่บอกว่าคนเรามีแต่ความเป็นกะตัวนี่มันก็ไม่ถูกเดี๋ยวนี้เขาก็พบว่ามันไม่ใช่เช่นนั้นเดีย๋ยวว่าแต่คนเลยสัตว์ก็ยังมีนะความเสียสละความเอื้อเฟื้อความมีน้ำใจมนุษย์เรามันก็มีเหมือนกันและน้ำใจนั้นมันทําให้มนุษย์เรามีความสุขเมื่อได้ช่วยเหลือคนอื่นอันนี้ก็ตรงอย่างกับที่ผู้เจ้าตัดว่าผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุข ความสุขคนเราไม่ได้เกิดจากการที่เรามีเราได้เราเอาเราครอบครองอันนั้นเป็นความสุขอย่างหยาบนะเรียกว่าการมาสุขแต่ความสุขที่ละเอียดที่ประณีกว่านั้นคือความสุขที่เกิดจากการให้เกิดจากการสละนะเกิดจากการช่วยคนที่ไม่ค่อยสบายนะพอเขาได้มีโอกาสเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงดูแมวเลี้ยงดูหมานี่ เขาดีขึ้นยิ่งไปช่วยเหลือดูแลเด็กเล็ก เ, กเขายิ่งมีความสุขมีคนเป็นไมเกรนกินยาทุกวันเพราะปวดหัวข้างเดียวเท่าไรรักษาเท่าไหรก็ไม่หายต่อมาก็ไปเป็นจิตอาสาไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงดูแลดูแลเด็กที่ถูกทิ้งที่บ้านปักเกรดอาทิตย์ละสองครั้ง ทำไปไม่กี่อาทิตย์เขาก็แปลกใจว่าเขาลืมกินยาลืมไปเลยทําไมถึงลืมกินยาก็เพราะ่ามีความสุขเพราะว่าไม่ปวดนะไอ้วันไหนที่ไปดูแลเด็กนี่จะไม่ปวดหัวเลยเพราะมีความสุขก็เลยเป็นเหตุให้ลืมกินยา อันนี้ก็คล้ายกับเรื่องที่พูดเกี่ยวกับท่านโกยงก้านะแต่ท่านโกยงก้าเ น, นี่ยท่านไปปฏิบัติธรรมทม่านไปทสมาธิเป็นไมเกรยียเหมือนกันพอทำสมาธิแล้วนะทำวิปัสสนาแล้วปรากฏว่าไมเกรก็หายนะหายเพราะจิตใจมีความสงบอีกอันหนึ่งเพราะว่าแต่ในกรณีนี้เนะี่ยเป็นเพราะได้ไปช่วยไปช่วยคนนะแล้วก็มีความสุข ธรรมชาติของคนเรานะมันก็มีทั้งสองส่วนนะก็คือความเห็นแก่ตัวและความเอื้อเฟื้อหรือการมีคุณธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือการที่ช่วยส่งเสริมบ่มเพาะธรรมชาติส่วนหลังหรือธรรมชาติฝ่ายบวกธรรมชาติที่มีคุณธรรมนะการศึกษาทาั้งโลกเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไปส่งเสริมนะให้ความ ธรรมชาติส่วนแรกคือความเห็นแก่ตัวคิดแต่เรื่องเงินคิดแต่ในทางวัตถุคิดแต่การมีการได้ยิ่งมีการศึกษามากเท่าไหร่ก็ยิ่งคิดว่าตัวเองต้องมีต้องมอีผลตอบแทนมากเท่านั้นหรือต้องมีสิ่งครอบครองมากเท่านั้นจบวจปริญญาเอกไม่มีรถยนต์นี่ก็ถือว่าไม่ หรือว่าล้าหลังนะหรือแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าคุณชั้นเทพชั้นราชชั้นธรรมนะก็ต้องมีรถนะก็ต้องอยู่เท่ายี่ห้อไหนถ้าเป็นชั้นธรรมก็ต้องเบนทนะ์ถ้าเป็นชั้นเทพก็ไม่เป็นไรโตโยต้าได้อะไรทํานองนี้คือไปคิดว่ายิ่งมีความสําเร็จมากยิ่งต้องครอบครองสิ่งที่ราคาแพงสิ่งที่ราคาสูงมากขึ้น อันนี้มันเป็นเป็นเป็นจุดมุ่งหมายหรือว่าสิ่งที่แฝงอยู่ในการศึกษาทางโลกไปเสียแล้วคือไปกระตุ้นในธรรมชาติส่วนที่เห็นแก่ตัวซึ่งก็มุ่งเอาแต่ได้หรือว่าคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองแต่ว่าการศึกษาทางธรรมเนี่ยถ้าเป็นการศึกษาที่ถูกต้องเนี่ยมันจะไปส่งเสริมธรรมชาติส่วนดีธรรมชาติฝ่ายบวก ทำให้จิตมีคุณภาพเช่นมีความเมตตากรุณามีความเสสละมีความเอื้อเฟื้อฝ่บุญฝ่กุศลนะอยากทำความดีทำความดีแล้วมีความสุขกนะารปฏิบัติธรรมเนี่ยส่วนก็คือหมายถึงการปฏิบัติให้ถูกทำนองครองธรรมหรือว่าถูกจริยธรรม เป็นผู้ที่มันให้ทานนะเป็นผู้ที่รักษาศีล น, นะไม่ไปเบียดเบียนใครคําว่าธรรมะนี่ในแง่หนึ่งก็หมายถึงคุณธรรมเพราะนั้นปฏิบัติธรรมก็คือการส่งเสริมให้ตัวเองนี้มีคุณธรรมมากขึ้นนะเรียกว่ามีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตากรุณาแต่ว่าธรรมะนี่ยังมีอีกความหมายหนึ่งแปลว่าความจริงด้วยไม่ได้แปลว่าความดีอย่างเดียว ไม่ได้หมายถึงคุณธรรมอย่างเดียวแต่หมายถึงสัจธรรมด้วยปฏิบัติธรรมอีกด้านหนึ่งก็คือการที่ฝึกให้เห็นความจริงหเห็นความจริงที่มันเป็นสากลและความจริงนี่แหละที่จะนำเราไปสู่ความสุขในพุทธศาสนานจะพูดถึงสมคำนี้มากความดีความจริงและความสุขไม่ใช่พูดแต่เฉพาะความทุกข์ ที่พูดถึงความทุกข์เพื่อให้รู้ว่าจะต้องไม่อยู่เฉยจะต้องหมั่นทําความดีแล้วก็ฝึกจิตให้เห็นความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความสุขและความสุขนั่นก็จะไปหล่อเลี้ยงให้หมั่นทําความดีแล้วก็ภาคเพียรในการที่เห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งสามอย่างนี้ไปด้วยกัน คนเราจะทาความดีก็ต้องมีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงถ้าทำความดีแล้วไม่มีความสุขมันก็ทำได้ไม่นานแต่ความสุขในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความสุขที่เกิดจากทรัพย์เกิดจากชื่อเสียงเกิดจากคำสรรเสริญไม่ใช่อันนั้นมันของชั่วคราวแต่เป็นความสุขที่เกิดจากใจที่ได้ทำความดีเป็นความสงบใจเป็นความสุขใจไม่ใช่สุขทางวัตถุ และความสุขนี่ก็ทำให้เราอยากจะภาพเพียรฝึกฝนตนใ ห, ให้เห็นความจริงและพอเห็นความจริงแล้วเนี่ยความสุขก็มาได้ง่ายวความจริงพื้นฐานเนี่ยก็คือความจริงเรื่องความไม่เที่ยงของชีวิตเนี่ยอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยนะทั้งเรื่องปาชิมโอวาสเนี่ยก็เป็นเรื่องของความไม่เที่ยงของชีวิต สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนะเมื่อเห็นความจริงแล้วก็ต้องภาคเพียรทําความดีแล้วทากุศลแล้วก็ฝึกจิตให้เห็นความจริงด้วยความจริงข้าลึกซึง้งนะสังขารไม่เที่ยงนะความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อเราเห็นความจริงเช่นนี้อย่างเสื่อทราบซึ้งถึงใจเนี่ยแม้ว่าจะเกิดความแก่ความเจ็บหรือประสบความตายขึ้นมาเราก็ไม่ทุกข์เพราะยอมรับได้มันจะมีอีกบทหนึ่งนะซึ่งสำคัญมากนะที่เราควรพิจารณาเป็นประจำเรืออ่องอปินญาปัจเว บทนี้นี่ถ้าเราพิจารณาอยู่เสมอเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันให้เราสามารถจะรับมือความผันผวนปลันแปลในชีวิตได้บทนี้มีว่ายังไงนะมีห้าตอนแต่สี่ตอนแรกเนี่ยสำคัญสำคัญมากก็คือหนึ่งเราจะมีเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้สองเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ 3. เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงเพ้นความตายไปไม่ได้ 4. เราจะต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งนั้นคือจะเห็นความจริงอันนี้อย่างเร่ยอย่างจแจ้แจงไม่ใช่แค่คิดเอานึกเอาแต่ว่ามันซึ้งไปถึงใจเนี่ยเวลาเจอความพัดพลาดสูญเสียก็ไม่ทุกยอมรับได้ทำใจเป็นปกติได้ ในพระไตรปิฎกนะมีชาดกเรื่องหนึ่งนะพูดถึงครอบครัวสมัยนี้เราต้องเรียกเป็นครอบครัวต้องปฏิบัติธรรมแต่ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมอย่างที่เราเข้าใจในภาพเพราะว่าต้องเข้าคอร์สนะหรือว่าไปเข้าวัดเป็นประ จ, จำเนี่ใช่แต่เป็นผู้ที่มีธรรมะเป็นชาวนาทุกเชา้านะก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนี้พ่อกับลูกชายและลูกสาวก็จะ ออกไปทำนาน า, นาอยู่ไกลตอนสายๆคนใช้เนี่ยถึงจะเอาอาหารที่แม่ทำเนี่ยเอาไปส่งที่นาพอวันเช้าวันหนึ่งลูกชายเนี่ยโดนงู ก, กัดตายพ่อก็บอกลูกสาวว่าไปที่บ้านนั้นแล้วก็บอกว่าอาหารที่เตรียมเนี่ยสองเตรียมแค่สองคนก็พอ ปกติเตรียม3ามคนบอกเตรียมสองคนก็พอแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้แม่กับคนใช้มาที่ที่นาด้วยลูกสาวก็ทําตามพอพูดเช่นนี้เนี่ยแม่ก็ถามแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นลูกสาวก็บอกว่าลูกชายตายแล้วคือพี่ชายขอยงตัวนี่นแหละตายแล้วแ ม, แม่ก็ไม่ตกตกใจอะไรก็ ไปที่นาพร้อมกับลูกสาวรอบคนใช้ไปถึงก็ทําการเผาศพเลยเผาศพที่นี่ก็ไม่ได้เผาร่องที่เผาศพเนี่ยก็ไม่ได้คล่คลําครวญร้องไห้อย่างใดในระหว่างนั้นก็มีคนแก่เนี่ยเดินผ่านมาก็ถามว่าคนที่ตายนี่เป็นใครสงสัยจะเป็นคนอื่นกำลังพอเห็นไม่มีใครร้องไห้เลย ปรากฏว่าไม่ใช่นะพ่อก็บอกว่าเนี่ยคนที่ตาย น, นั่นก็คือลูกของฉันนั่นเองคนแก่ก็แปลกใจว่าแล้วทำไมท่านไม่ร้องไห้ล่ะไม่มีใครร้องไห้สักคนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่น้องสาวเมียหรือว่าคนใช้พ่อก็ตอบว่าเขาไปเนี่ยก็เหมือนกับว่า เขาทิ้งล่างไปก็เหมือนกับงูลอกคราบนะตอนนี้เขาถูกเผาแล้วเขาไม่รับรู้ถึงความเจ็บปวดหรอกแล้วเราจะโศกเศร้าไปทาไมคนที่เป็นแม่ก็บอกว่าตอนที่เขามาเกิดเขาก็ไม่มาไม่ได้แจ้งก่อนเวลาเขาไปเขาก็ไปโดยที่ไม่ได้บอกลาเขามาอย่างไรเขาก็ไปอย่างนั้นก็เลยไม่ได้เศร้าโศกคล่ํงครวญเพราะเขาก็ไม่รู้เจ็บไม่รู้จักเจ็บปวดอีกต่อไปแล้ว ตัวคนที่เป็นเ ม, มียก็บอกว่าคนที่ร้องไห้ถึงผู้ที่จากไปก็ไม่ต่างจากเด็กที่อยากได้ดวงจันทร์มันเป็นไปไม่ได้ก็เลยไม่ได้เสียใจเพราะว่าเขาก็ถูกเผาก็ไม่รู้จักความเจ็บปวดอยู่แล้วคนนอ้นองสาวก็บอกว่าเราร้องไห้ไปทําไมร้องไห้แล้วก็ร่างกายพายพร้อมนะก็จะกลายเป็น ภาระบเป็นความห่วงใยของญาติๆจึงไม่ร้องไห้เพราะร้องไห้ไป เ, เขาเพราะว่าคนที่ตายแล้วก็ไม่มีความเจ็บปวดอยู่แล้วนะไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องเสียใจอะไรคนใช้ก็บอกว่าคนที่ตายไปแล้วจะเรียหาเขาก็ไม่มีหวังกลับคืนมาได้เหมือนกับแม่น้ำที่แตกแล้วก็ไม่มีทางที่จะสมานคืนดังดีได้ดังเดิมได้ เราก็จึงไม่ร้องไห้ไม่คร่ำควรวญเพราะว่าเขาก็ไม่รับลืมความเจ็บกลัวที่ถูกเผาแล้วคือทั้งห้าคนนี้ก็เรียกว่าเห็นความจริงของชีวิตก็เลยไม่เศร้าโศกไม่คร่ำควรวญก็ยอมรับอันนี้ก็ทําให้สามารถที่จะรักษาใจปกติได้าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องทําให้เราเนี่ยไม่เพียงแต่มีชั้นท่าในการทําความดีแล้วก็มีชีวิตที่ถูก ต้องทำทำนองครองทำเท่านั้นแต่ว่าต้องทําให้เราเนี่ยเห็นความจริงจนกระทั่งไม่ทุกข์เมื่อประสบความพัดพลาดสูญเสียเพราะนี่คือความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้นนะชีวิตหนึ่งในด้านหนึ่งชีวิตเราก็มีอะไรที่ให้หน้าตื่นตาตื่นใจให้ให้อยากรู้อยากเห็นอยากเสพอยากบริโภคแต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลา ด, ด, ดสูญเสียเป็นธรรมดา คนที่เห็นแต่ว่าโลกนี้มันมีแต่ความสวยงามแต่ไม่ได้เห็นว่ามันมีอีกด้านหนึ่งของโลกนะที่ไม่ค่อยน่าพึงพอใจก็จะพัดก็จะเสียใจนะเวลาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหรือว่าเจอความผัดพ้าแต่ถ้าเห็นความจริงอยารอบด้านก็เห็นว่าเออนี่คือธรรมดาของมนุษย์นะเกิดแก่เจ็บตายความไม่เที่ยมความไม่จริงหลังหรือเห็นแม้กระทั่งว่าทุกอยู่ที่ใจเห็นแม้กระทั่งว่าเห็นความจริงว่า ไอ้ทุกข์นี้มันเกิดจากความยึดติดถือมั่นนะก็วางได้อย่างที่พูดเมื่อสองสามวันก่อนอันนี้ก็เป็นความจริงนะเป็นความจริงข้อที่สองนะสมุดไทยนะที่เราต้องรู้จริงๆต้องรู้ตั้งแต่ข้อแรกแล้วคือรู้ทุกข์แล้วก็รู้เหตุแห่งทุกข์แล้วก็เชื่อว่าทางหลุดพ้นจากความทุกข์นี้เป็นไปได้และเป็นไปได้เพราะว่าการปล่อยวางความยึดมั่นถ ลอยวางไม่มีความยึดมั่นถือมั่นและถึงร่องลงมือปฏิบัติอันนี้คือตัวมรรคมรรคคือการปฏิบัติปฏิบัติให้เห็นทั้งให้มีใจใฝ่ในคุณธรรมความดีมีชีวิตที่งดงามตามหลักคุณธรรมแล้วก็ฝึกใจให้เห็นความจรงิงอันนี้ต้องอาศัยภาวนาและอาศัยการาพิจารณาใคร่ครวนถ้าเห็นความจริงแล้วนี่มันก็ ยากที่จะมีอะไรมาทําให้เราทุกข์ได้ในพระไตรปิกก็มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของนางเมรลิกานอเมริกานี่แค่เป็นภรรยาของพันธุระพันธุละนี่เป็นเ ส, เสนาบดีคนสําคัญของพระเจ้าเปรตธิโกสนพันธุละนี่เป็นนักรบที่เก่งมากตอนหลังนี่พระเจ้าเสรตธิโกสนนี่ระแวงพันธุละกับลูกและลูกเขยก็เลยหลอกให้ไปตาย หลอกไปแล้วไปฆ่าวันที่วันที่นางมาริกาลูกขาวเนี่ยมันเป็นตอนเช้าก็กำลังจะถวายจังหันให้กับพระนะรู้สึกจะมีพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็มีพระสารีบุตรด้วยมาถวายที่บ้านของนางระหว่างที่นางประเคนอาหารเนี่ยก็ปรากฏว่า ถ้วยเนี่ยมันเกิดตกแตกภาษาศรุบุตรก็พูดว่าอย่าเสียใจไปเลยนะมันก็ธรรมดาของก็ตกแตกได้นางมริก้าก็บอกว่าไม่เสียใจหรอกเพราะว่าหนักกว่านี้นะข้าพเจ้า ก, ก็ไม่เสียใจเลยแล้วก็พูดว่าเนี่ยเมื่อเช้าเพิ่งได้ข่าวว่าพันทุลละคือสามีแล้วก็ลูกชายและลูกเขยตายกันหมดเลยตายยกครัวเลย ขบ้ า, ายัางไม่คลั่งกลัวไม่เสียใจเลยตอะนั้นเนี่ยแค่แก้วแตกแค่แก้วแตกนี่ก็เฉยมากอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเนี่ยคนเรานี่พอรู้จนเข้าถึงความจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้ทุกได้แม้ว่าจะต้องอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความโลกที่เต็มไปด้วยทุกโลกที่เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงแต่ว่าจิตใจเนี่ย สามารถจะอยู่เหนือไอ้ความความทุกข์เรานั้นได้ยกจิตให้เหนือความทุกข์เพราะว่าเห็นความจริงเนะห็นพวกเราคนนี้ก็ให้เราเข้าใจนะขอบข่ายการปฏิบัติธรรมและจุดมุ่งหมายในด้านนึงก็เป็นการส่งเสริมหล่อเลี้ยงบ่มเพาะธรรมชาติฝ่ายดีในใจเรานะไม่ว่าจะ เป็นความเมตตากรุณาความภาคเพียนพยายามขันติสติสมาธนะิความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจนกระทั่งสามารถที่จะเอาชนะให้ความเห็นแก่ตัวไดนะ้ความเห็นแก่ตัวก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าความคุณธรรมนะมันสามารถที่จะควบคุมบังคับให้อยู่ในไม่ให้ออกมาเพ่นพ่านมากแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอต้องปฏิบัติธรรมจนเห็นความจริงจริง ความจริงของโลดเห็นความจริงของชีวิตเห็นความจริงไปถึงขั้นว่าทุกเกิดจากทุกเกิดจากอะไรทุกเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นโดยเพราะที่สําคัญคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนยึดมั่นว่ามีตัวกูของกูอันนี้ถ้าเห็นความจริงกระทั่งว่าคำว่าตัวกูของกูมันไม่มีจริงมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งมาเป็นมา ย, ยาภาพขึ้นมาแล้วเราก็ลงไปยึดลงยึดว่า น, นี่เป็นของกู ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ของกูพี่น้องของกูลูกของกูหรือแม้กระทั่งนี้ร่างกายของกูไอ้เมื่อนี่มันเปนมายาภาพทังสิ้นเพราะไม่มีอะไรที่จะเป็นของกูได้เลยไม่มีอะไรที่เราสามารถจะบังคับบัญชาได้เลยเล่เาไปก็ไม่ได้เห็นแม้กระทั่งว่าไอ้ตัวกูของกูนี่มันอย่าว่าแต่ของกูเลยแม้กรั่งตัวกูนี่ก็มันก็ไม่มีการปฏิบัติธรรมก็คือมันได้ทำให้เห็นความจริงตรงนี้ การเจริญสติเนี่ยก็เป็นบันไดขั้นแรกที่ช่วยทำให้เราเห็นว่าให้เห็นทิงง้ให้ช่วยทำให้การปรุงแต่งตัวกูเนี่ยมันจางคลายไปเวลาเราเดินเราก็รู้ว่าเดินเวลาคิดก็รู้ว่าคิดและที่เดินน่นไม่ใช่เราเดินแต่เป็นรูปที่เดินกายที่เดินเวลาคิดก็ไม่ใช่เราคิดแต่มันเป็นใจที่คิด เวลาโกรดก็ไม่ใช่เราโกรธแต่เป็นใจที่โกรธเห็นความจริงแม้กระทั่งว่าโกรธก็อันหนึง่งใจก็อันหนึง่งหรือโกรธก็อันหนึง่งจิตก็อันหนึงนะ่งจิตเป็นผู้รู้ความโกรธเมื่อรู้ความโกรธแต่ไม่เป็นไม่เป็นผู้โกรธนะความโกรธมันก็ทําให้เกิดทุกขเวทนาทางใจไม่ได้เมื่อเห็นความจริงแบบนี้เนี่ยนะมันก็เรียกว่าไม่มีอะไรที่จะมาทําให้ทุกขได้เพราะมันมีตัวกู้ผู้ทุกตั้งแต่แรก ถึงตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้วตอนที่ปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมหรือธรรมชาติฝ่ายบวกนี่มันก็ยังมีความเห็นแก่ตัวอยู่แต่ว่าคอยคุมเอาไว้ไม่ให้มันเพ่นผ่านมากเกินไปแต่พอปฏิบัติธรรมจนเห็นความจริงในระดับที่เราเป็นวิปัสสนาเนี่ยมันไม่มีความเหงนแกนตัวเหลือแล้วเพราะเห็นชัดเลยว่าไอตัวกูของกูนี่มันมันของปลอมทั้งนั้นนะ มองเข้าไปจริงๆก็ไม่เห็นอะไรที่เป็นตัวกูเหมือนกับตรงกลางของข้อไม้ไผ่กลางไม้ไผ่ก็ไม่มีอะไรเลยนะไม้ไผ่ดูมันแน่นมันหนามันดูมันทึบมันตันแต่พอผ่าเข้าไปตรงกลางมันกลวงว่างว่างเนี่ยคือสุญญาตานะคือว่างจากตัวตนนะก็เป็นอนัตตาอีกแง่หนึ่งไม่มีความจริงแบบนี้แล้วมันไม่มีความเป็นตัวต่อไปก็เรียกว่ามีแต่ความเอื่อเฟื้อเกือเก้อกูล ไม่มีการถือเขาถือเรานะและสามารถที่จะเผชิญกับความพันปวนปวนแปรความพัดพลาดสูญเสียได้เวลาเจ็บก็ไม่รู้สึกว่ามีกูัวูดเจ็บหรือรู้สึกว่ากูปกัป่วยกูัป่วยก็เห็นแต่ว่าเออมันเป็นแต่ไอสังขารร่างกายที่มันป่วยนะมันถูกบีบคั้นด้วยความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเวลาตายก็ไม่มีความรู้สึกว่าฉันตายนะมีความรู้สึกว่าฉันตายหรือว่า มีฉันผู้ตายกำลังจะเกิดขึ้นมันก็มีแต่ความเสื่อมไปของธาตุของขันทั้งห้านะไม่มีความทุกข์แล้วตอนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตายก่อนตายแล้วอย่างที่ท่านจารู์ทธาบว่าตายก่อนตายคือว่าไอ้ตัวตนเนี่ยมันตายหมายถึงวางจากความยึดมันในตัวตนไม่มีตัวกูไม่มีตัวฉันอันนี้เราตายก่อนตายก็กลายเป็นว่าไม่มีฉันตายนะ ไม่มีชั้นตายนะก็มีแต่รูปที่มันเสื่อมไปหรือว่าขันทั้งห้าที่มันสลายไปมันแตกดับไปก็จบเป็นเป็นไปตามธรรมชาติ้เราก็นะหมั่นเพียร น, นะปฏิบัติธรรมให้ให้ได้ทั้งความดีแล้วก็ให้เห็นความจริงอย่าอย่าอย่าอย่าปฏิบัต แต่เพียงแค่ทำความดีต้องภาวนาจนเห็นความจริงด้วยอันนี้ถึงจะทำให้อยู่เหนือทุกข์นะเป็นลำดับนะจนกระทั่งเหนือทุกข์ยางได้อย่างสิ้นเชิงเอาเราก็พูดกันเท่านี้นะครับพระ